บันทึกที่สี่ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกท่านจำแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเป็นหลายแบบตามประเภทแห่งจิตที่เป็นอกุศลกุศลและอัพยากฤิตอัพยากฤิตนี้ได้แก่วิบากและกิริยาและซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตที่เป็นกามาวจรรูปาวจร อรูรปาวจรและโลกุตระองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยในกระบวนธรรมเหล่านั้นบางอย่างเปลี่ยนแปลกออกไปตามประเภทของจิตด้วยไม่เป็นแบบเดียวเหมือนอย่างที่แสดงไว้ในพระสูตรเช่นในกุศลจิตบางอย่างกระบวนธรรอาจเริ่มต้นด้วยสังขารทีเดียวไม่มีอวิชชาหรืออาจเริ่มด้วยกุศลมูลแทนอวิชชาเป็นต้นโดยเฉพาะที่น่าสังเกตยิ่งคือ ตันหามีเฉพาะในอากุศลรจิตอย่างเดียวเท่านั้นในจิตประเภทอื่นๆตันหาถูกแทนด้วยภาษาทะหรือไม่ก็ข้ามไปเสี้ยทีเดียวภาษาทะแปลว่าความผ่องใสแช่มชื่นหรือศรัทธาทั้งนี้เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะจึงวิเคราะห์องค์ธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยในกระบวนธ ร, รเฉพาะขณะนั้น อวิชชาและตันหาเป็นต้นที่ถูกข่มถูกเบียนในขณะนั้นๆั้นจะไม่ถูกแสดงไว้ตามชื่อของมันแต่แสดงในรูปองค์ธรรมอื่นที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาแทนที่หรือไม่ก็ข้ามไปทีเดียวนอกจากนั้นบาลีในพระอภิธรรมปิฎกยังได้แสดงองค์ธรรมทั้งหลายในลักษณะที่สัมปะยุตคือประกอบร่วมและที่เป็นปัจจัยในทางกลับกันเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นไปด้วยในที่นี้จะนําเอาเฉพาะกระบวนการทแบบหลักใหญ่มาแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณากระบวนกา ร, รที่หนึ่งก็ก่ออกุศลจิตสิบสองอวิชชา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 หรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิฆะความขัดเคืองกระทบกระทั่งใจหรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิจิกิจฉาความลังเหลสงสัยหรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอุทธัจฉะความฟุ้งซ่านตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานหรือตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมก อธิโมกแปลว่าความน้อมใจดิ่งไปหรือความโปร่งใจหรือปฏิฆะเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมกรร ห, หรืออุทธจัจจะเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมกรรอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ Valerie หรืออธิโมกรรเป็นปัจจัยให้เกิดภพหรือวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะซึ่งเท่ากับความเกิดพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นกระบวนการที่สองข้อขอกุศลจิตเฉพาะกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือกุศลมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดฉัฏฐายาตนะหมายถึงอาญายนะที่หกคือมโนฉัฏฐายาตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปัาทะคือความผ่องใสแช่มชื่นหรือศรัทธาปัาทะเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดอธิโมกความน้อมใจดิ่งไปความปลงใจ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 กระบวนทําอาจแยกไปอีกสองหมวดดังนี้หมวดแรกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมกอธิโมกเป็นปัจจัยให้เกิดภพหมวดนี้ได้ในอเหตุกะกุศลวิบากจิตที่หกเจ็ดแอะกุศลวิบากจิตที่หกเจอเหตุกะกิริยาจิตทั้งสหมวดที่สองเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปสาทะปะสาทะเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมก อธิโมกเป็นปัจจัยให้เกิดภพหมวดนี้ได้ในกามาวจรวิบากจิตรูปาวจรวิบากจิตอรูปาวจรวิบากจิตกามาวจรกิริยาจิตรูปาวจรกิรยิารารรยาจิตอรูปาวะจรกิริยาจิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามภพทั้งสองหมวดนั้นก็มีกระบวนํารต่อไปเหมือนกันคือภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติ เป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะซึ่งเท่ากับความเกิดพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นในช่วงต้นของกระบวนการวิบากจิตและกิริยาจิตนี้อาจเริ่มด้วยอกุศลมลูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยอกุศลมลูลจะได้เฉพาะในอกุศลวิบากจิตเจ็เท่านั้นกระบวนการที่สี่ข้อ ง, งอโลกุตราจิตทั้งที่เป็นกุศลและวิบาก โลกุตรกุศลจิตอาจเริ่มด้วยอวิชชาหรือกุศลมูลดังนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือกุศลมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแต่โลกุตระวิบากจิตเริ่มด้วยกุศลมูลหรือไม่ก็เริ่มที่สังขารที่เดียวดังนี้กุศลมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจากนั้นทั้งโลกุตระกุศลจิตและโลกุตระวิบากจิต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 พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะเท่ากับความเกิดพร้อมแห่งธรรมเหล่านี้อนหนึ่งในกระบวนธรรโลกุตาราจิตนี้พึงสังเกตคำสรุปท้ายเปลี่ยนจากความเกิดพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิน้นเป็นความเกิดพร้อมแห่งธรรมเหล่านี้